หกิวิปัสสนูกิเลสและนิมิตวงเล็บเปิด 1. 20มีนาคม2552ในวงเล็บหนึ่งวงเล็บปิดภาวนาอย่าใจร้อนนะภาวนาอย่าเพิ่งรีบเป็นพระอรหันต์บางคนภาวนาแล้วรีบจังจะรีบเป็นพระอรหันต์ตามสถิติแล้วผู้หญิงเป็นมากกว่าผู้ชายผู้ชายชอบคิดว่าตัวเองเป็นพระโสดาบันผู้หญิงชอบคิดว่าตัวเองเป็นพระอรหันต์มีเยอะเหลือเกินมีคนเขียนจดหมายมาถึงหลวงพ่อ มีผู้หญิงคนหนึ่งเขียนมาจากทางใต้บอกว่าเพื่อนเอาซีดีหลวงพ่อไปให้ฟังก็เปิดฟังอยู่สามวันซีดีหลวงพ่ออาศจร น, นะสาวันก็เป็นพระอาหารหันแล้วบอกฟังอยู่สามวันพอวันที่สามตอนข้ามลงไปนอนพอเอ็นตัวลงนอนก็รู้สึกมีบางสิ่งบางอย่างหลุดออกไปจากตัวเองหลุดไปแล้วจิตก็สว่างจ้าอยู่อย่างนั้นสว่างอยู่หลายวันไม่นอนเลยคราวนี้สว่างจ้าอยู่สามวันสี่วันจนโทมมากเลย แล้ววันหนึ่งไปเปิดเพลงสวดมนต์ฟังเป็นเพลงธรรมะพระพุทธเจ้าสอนเรื่องธรรมทั้งปวงเป็นอนัตตาพอได้หินนะโอ้อันนี้มันเป็นอนัตตาไปแล้วเวรกรรมจริงๆอันนี้มันเป็นวิปัสสณูกิเลสเครื่องหมายดอกจันทอธิบายดอกจันทร์วิปัสสณูกิเลสอุปกิเลสแห่งวิปัสนาคอมมา่าสภาพหน้าชื่นชมแต่ที่แท้เป็นโทษเครื่องเศร้าหมองแห่งวิปัสนาซึ่งเกิดแก่ผู้ได้วิปัสนาอ่อน ทำให้เข้าใจผิดคิดว่าตนบรรลุมรคผลแล้วจึงไม่ดำเนินก้าวต่อไปในวิปัสนาญาณมี10คือ 1. โอภาษแสงสว่าง 2. ปิติความอิ่มใจ 3. ยญาณความรู้ 4. ปัสสัทธิความสงบกายและจิต 5. สุขความสบายกายสบายจิต 6. อธิมโมก ค, ความน้อมใจเชื่อ 7. ปักคาหะความเพียรที่พอดี 8. อุปฐานสติชัด 9. อุเบกขาความวางจิตเป็นกลาง 10. นิกันติความพอใจวงเล็บเปิดจากพจนานุกรมพุทธศาสตร์ฉบับประมวลสับขีดพระธรรมปิฎกขีดปจุดอจุดประยุตโตวงเล็บปิดจบอธิบายดอกจันชื่อว่าโอพาธวิปัสสูกิเลสพอเกิดแล้วเจ้าตัวจะสำคัญมั่นหมายว่าเป็นพระอาหารหันต ฉะนั้นต้องระมัดระวังนะค่อยๆสังเกตมีข้ออ้างได้สารพัดเลยอธิบายได้สารพัดเลยทีน่นี้อยู่มาบรรลุพระอาหารหันต์ได้เดือนกว่าๆสามีไปซื้อหนังสือนิตยสารธรรมะมาให้อ่านในนั้นมีรูปหลวงพ่อด้วยมาดูรูปหลวงพ่อนะโอ้ดูหลวงพ่อเหนื่อยจังเลยหลวงพ่อลำบากทาดขันในการขนสัรพัดข้ามสังสา ร, รวัฏไปเราสบายอยากกระนั้นเลยเราต้องช่วยหลวงพ่อสอนอย่าใจร้อนนะโอ้เวียนหัวเลย มีผู้หญิงพระอาหารหันต์หลายคนนะจะตั้งสวนสันติธรรมสาขาต่างๆสาขาอีสานสาขาปักใต้สาขาเยอะเหลือเกินเราไม่ได้มอบหมายให้ทําหรอกวิปัสสนูปกิเลสมันเกิดได้อย่างไรวิปัสสนูปกิเลสมันเกิดตอนเริ่มต้นทําวิปัสนาบางคนไปเจอวิปัสสนูปกิเลสบางคนไม่เจอหรือเจอแล้วแวบผ่านไปเลยไม่ติดนี่คนนี้แกบอกอีกนะว่าพอครบเจ็ดวันเอ๊ะทําไมไม่ตาย เราเป็นพระอาหารหันต์ครบเจ็ดวันเราไม่ได้บวชเราต้องตายนี่แกตีความได้อีกดูคนเราพอกิเลสมันครอบมันตีความเข้าข้างตัวเองได้หมดเลยอ๋อพระพุทธเจ้าไม่ได้บอกว่าร่างกายนี้ต้องตายหรอกเจ็ดวันไม่ใช่ร่างกายนี้ต้องตายแต่ความสำคัญมั่นหมายว่าเราเป็นพระอาหารหันต์มันตายไปแน่แปลได้อีกพระพุทธเจ้าไม่ได้สอนเจ็ดวันตายไม่มีนะท่านบอกกับพระเจ้าพิมพิสารเพราะมเหสีของพระเจ้าพิมพิสารองค์หนึ่ง บรรลุพระอาหารหันต์แล้วมาเป็นเอตทักฆะเป็นอัครสาวิกาทางมีปัญญามากชื่อพระนางเขมาเครื่องหมายดอกจันทที่สองอธิบายเครื่องหมายดอกจันทที่สองพระนางเขมาพระเทรีมหาสาวิการูปหนึ่งประสูตรในราชตรกูลแห่งสาคละนครในมัธรัฐต่อมาได้เป็นอัครามาเหสีของพระเจ้าพิมพิสารมีความมัวเมาในรูปสมบัติของตน ได้ฟังพระพุทธเจ้าแสดงพระธรรมเทศนาเรื่องราคะและการกําจัดราคะพอจบพระธรรมเทศนาก็ได้บรรลุพระอรหันต์แล้วบวชเป็นภิกษุณีได้รับยกย่องว่าเป็นเอตะทักฆะในทางมีปัญญามากและเป็นอัครสาวิกาฝ่ายขวาจบอธิบายดอกจันทร์ที่สองพระพุทธเจ้าก็บอกพระเจ้าพิมพิสารว่าตอนนี้พระนางเขมาบรรลุพระอรหันต์แล้วสิ่งที่สมควรกับพระนางเขมามีสองอย่าง หคือการออกโบวถ2คือการประนิพานท่านบอกอย่างนี้แหละตำราหลังๆกระมังที่บอกว่าตายใน7วันจริงๆเจวันก็ไม่มีในตำราตำราบอกตายในวันนั้นเลยอันนี้อยู่ในคำพีมิลินทปัญหาแต่ว่าก็ไม่เคยได้ยินใครตีความว่าความสําคัญมั่นหมายว่าเป็นพระอรหันต์นั้นตายไปในวันที่7ก็เป็นพระอรหันต์แล้วยังจะสําคัญมั่นหมายว่าเป็นพระอรหันต์อยู่อีกอันนี้วิปัสสนูปกิเลส เวลาวิปัสสนูปกิเลสเกิดแล้วมันจะหาข้ออ้างเพื่อรักษาความเป็นพระอาหารหันต์เอาไว้สุดชีวิตจิตใจเลยแต่งคมภีร์ใหม่ก็ได้เวลาที่เราหัดทําวิปัสสนานี้ถ้าไม่ขึ้นวิปัสสนาจะไม่มีวิปัสสนูปกิเลสถ้าทําแต่สมถะอย่างมากก็มีนิมิตนิมิตมีหกแบบนิมิตที่เห็นด้วยตาหูจมูกลิ้นกายใจนี่กระทบได้ทั้งหกทวาร น, นิมิตทางตาเช่นนั่งภาวนาอยู่ เห็นเทวดาเห็นผีเห็นโน่นเห็นนี่ยกเว้นไม่เห็นกิเลสเห็นหมดเลยนะสิ่งที่เห็นนั้นจริงบ้างไม่จริงบ้างจริงก็เรียกนิมิตไม่จริงก็เรียกนิมิตไม่มีความหมายอะไรสู้เห็นจิตเห็นใจเห็นกิเลสเราดีกว่านิมิตบางอย่างเป็นเสียงยังฟังซีดีหลวงพ่อเรื่อยๆฟังไปเรื่อยๆเสียงหลวงพ่อจริงๆก็เรียกบริกรรมนิมิตฟังไปเรื่อยๆจนกระทั่งมันติดหูเรียกอุคาหานิมิตเสร็จแล้วมันก็ติดใจ นั่งอยู่ดีๆก็ได้ยินเสียงหลวงพ่อเทศปิดวิทยุไปแล้วก็ยังเทศไม่เลิกมีหลายคนเป็นนะนี่ก็นิมิตนั่นแหละนิมิตเสียงนิมิตกลิ่นก็มีเช่นอยู่ๆได้กลิ่นตัวเองไหมนิมิตเป็นรสก็มีกินอาหารอยู่นะอร่อยอร่อยนิมิตสัมผัสทางกายก็มีตอนหลวงพ่อบวชอยู่วัดโฉลปทานไม่อยู่วันหนึ่งนั่งสมาธิโอ้ยเมื่อยพอเมื่อยนะเหยียดขาออกไปแม้มีคนมานวดให้ เนื้อนี่บุ๋มลงไปเลยนะเป็นรอยนิ้วมือเลยนี่นิมิต ท, ที่สัมผัสทางกายนวดเก่งมากเลยว่าจะเชิญมาอยู่วัดเรานิมิต ท, ที่รู้ด้วยใจรู้อดีตรู้อนาคตรู้นอนรู้นี่เห็น น, น่นเห็นนี่เห็นด้วยใจฉะนั้นนิมิตนี่เกิดจากสมถะจิตมันไม่สงบจริงถ้าสงบจริงมันเลยนิมิตไปส่วนวิปัสนูปกิเลสนี่เริ่มตรงที่ขึ้นวิปัสนาเบื้องต้นวิปัสนาเริ่มตรงไหน ตรงที่เห็นความเกิดดับของรูปธรรมนามธรรมเช่นเห็นร่างกายรูปยืนรูปเดินรูปนั่งรูปนอนเกิดแล้วก็ดับไปรูปเย็นรูปร้อนรูปอ่อนรูปแข็งเกิดแล้วก็ดับไปเห็นยากนะรูปเห็นยากมากเลยอย่างเวลาเราเดินจงกรมใครจะเห็นรูปไม่ใช่ง่ายเลยเวลาที่เราเหยียบพื้นธาตุดินจะมากขึ้นเวลายกขึ้นมาธาตุดินจะลดลงเวลาก้าวไปธาตุลมจะเพิ่มขึ้นเวลาหยุดธาตุลมก็ลดลง นี่มีธาตุดินธาตน้ำธาตุไฟธาตุลมดูยากมากเลยฉะนั้นกว่าจะทำธาตุกรรมฐานได้นะถ้าไม่ทรงฌานจริงๆทำยากกรรมฐานที่ง่ายกว่านั้นก็คือดูจิตดูใจอันนี้ไม่ต้องทำฌานก่อนดูเข้าไปตรงๆเลยที่นี้บางคนภาวนาใช่ไหมก็เห็นว่าจิตมีความทุกข์แล้วก็หายไปมีความสุขแล้วก็หายไปเฉยๆแล้วก็หายไปเห็นอยู่อย่างนี้เรื่อยๆเห็นจิตเกิดที่ตาแล้วก็ดับไป เกิดที่หูแล้วก็ดับไปเห็นจิตที่ไปดูเกิดขึ้นแล้วก็ดับเกิดจิตที่ไปคิดจิตที่ไปคิดแล้วก็ดับเนี่ยจิตแต่ละดวงแต่ละดวงไม่ใช่ดวงเดียวกันมีช่องว่างเล็กๆมาขัน้นมันไม่ต่อกันทีเดียวหรอกมันมีดีเลย์ไทม์ในวงเล็บเวลาที่ช้าออกไปอยู่เล็กมากเลยเล็กกว่าเส้นผมอีกนิดหนึ่งฉะนั้นจิตจะขาดเป็นช่วงช่วงช่วงตรงนี้เริ่มทําวิปัสนาแล้ววิปัสนูปกิเลสจะเกิดก็เกิดตรงนี้แหละ บางคนสนใจมากเลยเห็นเกิดดับได้มากคอนเซนเทรตในวงเล็บจดจ่อมากเลยสติแรงกล้ามากตั้งอกตั้งใจดูมากภาคเพียรมากสติแรงกล้ามากภาคเพียรมากก็วิปัสสนูปกิเลธ ท, ทั้งนั้นเลยหรือภาวนาไปแล้วมันสว่างขึ้นมาอย่างที่เล่าตะกี้ดูไปดูไปแล้วเห็นเกิดดับเกิดดับอยู่แวบๆนะแวบเดียวใจสว่างจ้าขึ้นมาก็คิดว่าบรรลุแล้วเป็นพระอาหารหันต์แล้ว ผู้หญิงเป็นเยอะกว่าผู้ชายไม่รู้เป็นเพราะอะไรผู้ชายชอบคิดว่าตัวเองเป็นพระโสดาบันผู้หญิงชอบคิดว่าตัวเองเป็นพระอรหันต์แล้วเหมือนกันทุกรายเลยพอเป็นแล้วจะต้องออกสอนจะตั้งสำนักแล้วยังไม่เคยเจอเลยผู้หญิงเป็นพระอรหันต์น่ะยังไม่เคยเห็นที่เป็นคารวาสนะยังไม่เคยพบเลยผู้ชายที่เป็นคารวาสก็ยังไม่เคยเห็นที่เป็นพระอรหันต์อย่าไปเชื่อง่ายบางคนเป็นแล้วหนักน่ากลัวรู้จักคนหนึ่งนะ เป็นคนชอบทำบุญมากเลยรวยมากวันหนึ่งได้ข่าวว่าครูบาอาจารย์จะมาที่จังหวัดตัวเองเกิดปลื้มใจเอาแบงค์ห้าร้อสมัยนั้นไม่มีแบงค์พันยังบุญนะเอาแบงค์ห้าร้อยใส่ตะก้าเต็มตะก้าเลยปลื้มใจเดินแจกไปเรื่อยๆไม่รู้ตัวเลยขณะนั้นมีแต่ความสุขความเบิกบานอิ่มอกอิ่มใจในธรรมะมากเนี่ยอิ่มใจมากอิ่มใจมากก็วิปัสสนูปกิเลสนะคืออะไรที่มันผิดเพี้ยนจากธรรมดา มันไม่ใช่แล้วถ้าเป็นสมถะมันก็เป็นนิมิตถ้าทําวิปั ส, สนามันก็เกิดวิปัสนูปกิเลสขึ้นมาอย่างเวลาคนที่เป็นวิปัสนูปกิเลสเวลาที่ไม่ได้พูดธรรมะไม่ได้คิดถึงธรรมะนะเหมือนคนธรรมดาเลยแต่พอพูดธรรมะคิดถึงธรรมะนะโอ้ยมันฟุง้งใจมันตะเลดิดมันเบรกไม่อยู่แล้วฟุ้งตลอดเวลาเลยจะพูดธรรมะจอยจอยจอยแตกฉานอธิบายได้หมดเลยถูกหรือผิดไม่รู้นะ ฉันเชื่อของฉันอย่างนี้ล่ะไม่ได้ทดสอบเลยว่ามันตรงกับคําสอนของพระพุทธเจ้าหรือเปล่าแต่ปักใจเชื่อไปแล้วปักใจเชื่อก็เป็นวิปัสสนูปกิเลสมีสิบอย่างไปเรียนเอาเองไปดูในหนังสือแต่รวมความก็คือไปสําคัญมั่นหมายว่าบรรลุที่สําคัญมั่นหมายว่าบรรลุก็เพราะมีอาการแปลกๆเกิดขึ้นเช่นมีสติมากมีศรัทธา ม, มากมีความมุ่งมั่นมากมีแสงสว่างมากนี่มีอะไรมากๆขึ้นมาแล้วเลยคิดว่าตัวเองบรรลุ ฉะนั้นถ้าใครคิดว่าตัวเองบรรลุอย่าเพิ่งเชื่อมาคุยกันก่อนส่วนมากตายคาที่อันตรายพอเข้าใจผิดนี่ก็จะไปบอกต่อแล้วในโลกนี้คนโง่งมันมีมากกว่าคนฉลาดพอบอกต่อแล้วมันมีคนเชื่อนี่ตรงนี้ที่น่ากลัวมากเลยฉะนั้นพวกเราเวลาเรียนนะตั้งอกตั้งใจสังเกตอย่าเชื่อง่ายไม่ว่าอะไรเกิดขึ้นไม่เชื่อไว้ก่อนจำไว้นะอย่าเชื่ออย่าเชื่อง่ายอย่าเชื่อไว้ก่อนปลอดภัยที่สุด ค่อยๆสังเกตไปทบทวนดูทวนเข้าทวนออกไล่ขึ้นไล่ลงทวนไปตรวจสอบดูมันยังแปรปรวนได้ไหมอย่างบอกบรรลุพระอรหันต์แล้วเนี่ยไม่ยึดถืออะไรเลยแต่มีก้อนแน่นๆอยู่กลางหน้าอกตลอดเวลาก้อนแน่นๆนั่นเกิดจากการไปเพ่งเอาไว้พระอรหันต์จะไปเพ่งหาสวรรค์วิมานอะไรไม่มีหรอกก้อนแน่นๆกลางหน้าอกนะ่ะไม่ได้ยึดอะไรสักอย่างหนึ่งจะแน่นขึ้นมาได้อย่างไร ฉะนั้นค่อยๆสังเกตค่อยๆดูค่อยๆสังเกตอย่าเชื่อง่ายเชื่อง่ายแล้วเสร็จเลยเชื่อตัวเองง่ายก็เสร็จนะเชื่อคนอื่นง่ายก็เสร็จบางคนก็ชอบไปภาวนาบางที่ภาวนาไม่กี่วันเขาก็ตั้งให้แล้วโสดาสกิทาคาพระอนาคาคาเขาตั้งให้แล้วนะตั้งให้แล้วคราวนี้ไปไหนไม่ได้แล้วถ้าออกจากวัดนี้เดี๋ยวไม่ได้เป็นที่อื่นเขาไม่รับรองที่นี่รับรองก็ต้องอยู่ที่นี่แหละ เสร็จก็อยู่ตรงนั้นทั้งชาติเลยฉะนั้นอย่าเชื่อง่ายคันแรกๆไม่ว่าอะไรเกิดขึ้นให้ใช้ความสังเกตใช้สติใช้ปัญญาสังเกตเอาอย่างไรที่ว่าอยู่ๆสว่างขึ้นมาสว่างขึ้นมามันบรรลุอะไรละ่ะหรืออยู่ๆสว่างทีเดียวเป็นพระอรหันต์เลยไม่เป็นพระโสดาด้วยทำไมอยู่ๆตัดครั้งเดียวถึงพระอรหันต์เป็นไปได้ที่ไหนอย่างไรแต่ละคนก็ตัดสี่ครั้งต้องตัดสี่ครั้งนะ แต่ว่าแต่ละครั้งอาจจะต่อกันก็ได้ตัดปับป๊บปั๊บปั๊บอย่างนี้มีแต่ไม่มีนะตัดครั้งแรกก็ขาดหมดเลยเนี่ยไม่มีหรอกถ้าศึกษาเสียนหน่อยจะไม่พลาดถ้าไม่ศึกษาแล้วก็น้อมใจเชื่อน้อมใจเชื่อแล้วมันสบายใจว่าเป็นพระอาหารหันต์แล้วคราวนี้เอาแล้วเริ่มฟุ้งในธรรมะแล้วจะถ่ายทอดสิ่งซึ่งอันตรายออกไปวงเล็บเปิด 2. 14มิถุนายนสอ5พในวงเล็บสองวงเล็บปิด หมู่นี้เทศเรื่องวิปัสสนูในวงเล็บวิปัสสนูกิเลสบ่อยที่เทศเรื่องวิปัสสนูเพราะพวกเราเริ่มทําวิปัสนาถ้าพวกเรายังทําวิปัสนาไม่เป็นก็ไม่ต้องเทศเรื่องวิปัสสนูเราก็พูดแต่เรื่องนิมิตนิมิตเป็นกับดักของคนทําสมถะวิปัสสนูเป็นกับดักของคนทําวิปัสนานิมิตมันเกิดจากใจที่สงบแต่สงบไม่เต็มที่ส่วนวิปัสสนูมันเกิดจากใจที่ไม่สงบมันเจริญปัญญาไปแล้วใจไม่ตั้งมั่น ใจฟุ้งซ่านออกไปส่วนนิมิตนี่มันสงบแต่ไม่ถึงที่มันไม่ถึงฐานมันแท้ๆสงบนิดๆหน่อยๆก็เกิดนิมิตขึ้นมาอันนี้หมายถึงนิมิตเพี้ยนๆนะเที่ยวเห็นโน่นเห็นนี่อะไรอย่างนี้แต่ถ้านิมิตในการภาวนาอันนี้จิตมันเกือบๆจะสงบคําว่านิมิตมันก็มีหลายอันนิมิตในความหมายทั่วไปหมายถึงเครื่องหมายที่สังเกตเบื้องต้นเราภาวนาเขาเรียกมีบริกรรมนิมิตทีนี้ถ้าจะทําสมถะ เอาบริกรรมนิมิตมาเป็นอารมณ์เช่นเอาลมหายใจมาเป็นอารมณ์เอาพุทโทมาเป็นอารมณ์พวกนี้เรียกว่าบริกรรมนิมิตพอใจมันเคล้าอยู่ในนิมิตไม่หนีไปไหนวนเวียนเกาะเกี่ยวอยู่ไม่หนีอย่างเรารู้ลมหายใจนี่ทีแรกลมหายใจเป็นบริกรรมนิมิตต่อมาลมหายใจเปลี่ยนสภาพไปเป็นแสงเราจะเห็นเป็นแสงสว่างเป็นเส้นขึ้นมาอันนี้เป็นอคาหานิมิตเสร็จแล้วมันจะรวมตัวกันขึ้นมาเป็นดวงสว่าง เวลาเราภาวนาจะทำสมถะเราก็วางลมหายใจไปมารู้เอานิมิตนี้เป็นอารมณ์แทนจะสว่างย่อได้ขยายได้เล่นได้ทำอย่างโน้นทำอย่างนี้ได้สนุกใจเพลิดเพลินใจมีปิติมีความสุขขึ้นมาใจเคล้าเคลียอยู่ในนิมิตไม่หนีไปไหนเกิดความสงบขึ้นมาในช่วงที่มันยังไม่สงบเต็มที่นะบางทีก็จะออกรู้โนนออกรู้นี่อันนี้พวกนักปฏิบัติชอบเรียกว่านิมิต ความจริงจิตมันแส่สายออกไปปรุงออกไปเป็นอีกอย่างหนึ่งไม่เกี่ยวกับนิมิตในการภาวนาแล้วแต่อันนี้มันหลอกหลอนบางทีก็เห็นเทวดาเห็นผีรู้อันโน้นรู้อันนี้รู้อดีตรู้อนาคตระลึกชาติได้ภาวนาแล้วเห็นคนที่มาที่นี่คนนี้เขาสวยแล้วก็ภาวนาไปเฮ้ระลึกได้แล้วเคยเป็นเมียเราต้องไปจีบเอาคืนมาอะไรอย่างนี้นี่พวกวิปลาสคลาดเคลื่อนพวกกิเลสหลอกเอา เขาเรียกภาวนาหาผัวหาเมียนิมิตมีสองอันคือนิมิตที่จิตปรุงขึ้นอันหนึ่งนิมิตจริงจริงอันหนึ่งยังเราภาวนาไปเราเห็นเทวดามหาเราเยอะแยะเลยอาจจะเทวดาที่จิตปรุงขึ้นเองก็ได้จิตหลอนเอาหรือเทวดาจริงๆก็ได้นิมิตภายในนิมิตภายนอกไม่มีสาระแก่นสารเท่าเทกันเพราะฉะนั้นเวลาภาวนาแล้วจิตมันออกรู้ออกเห็นอะไรนี่ให้ทวนเข้ามาหาจิตกลับเข้ามารู้ทันจิต เช่นพอเห็นเทวดามาจิตเกิดสงสัยว่าเทวดาจริงหรือปลอมให้รู้ทันว่าจิตสงสัยพอเราย้อนเข้ามาดูที่จิตถึงจิตถึงใจแท้แล้วพอทวนกลับออกไปดูใหม่ถ้าของปลอมมันหายไปหมดแล้วสมมติเราเห็นผีตัวหนึ่งตาปนนปแบบตุ๊กตาบลายมานั่งข้างๆตาโตๆหน่อยเราก็ทวนมาดูใจของเรานะแล้วกลับออกไปถ้าอย่างเจ้าเอ๋อยู่นี่ตัวจริงนะมีจริงๆนะโอปาติกะไม่ใช่ไม่มี เพียงแต่ว่าจิตใจเราหูตาเราไม่ไวพอที่จะเห็นเท่านั้นเองบางคนภาวนาวันสองวันก็เห็นแล้วบางคนภาวนาให้ตายก็ไม่เห็นเพราะฉะนั้นพวกเราที่กลัวผีนะบอกภาวนามาตั้งนานแล้วไม่เคยเห็นเลยอย่าไปกลัวเลยชาตินี้ไม่เห็นหรอกคนถ้ามันจะเห็นนะภาวนานิดเดียวมันก็เห็นแล้วฉะนั้นนิมิตจริงนิมิตปลอมนี่ถ้าเราทวนมาที่จิตของเราก็หมดเรื่องถึงจะเป็นนิมิตจริงก็ไม่เห็นมีสาระอะไร ไม่ได้ช่วยให้เราพ้นทุกข์เราก็ไม่เอาเรากลับมารู้กายรู้ใจของเราใหม่ค่อยมีสติรู้กายรู้ใจไปเรื่อยๆนะมันจะเริ่มเห็นร่างกายจิตใจมันแยกส่วนกันร่างกายก็อยู่ส่วนหนึ่งจิตใจก็อยู่ส่วนหนึ่งในส่วนที่เป็นจิตใจเป็นนามธรรมก็ยังแยกออกไปได้อีกหลายอย่างเป็นความรู้สึกสุขรู้สึกทุกข์ก็ได้นี่เรียกว่าเวทนาขันเป็นความจำได้เป็นความหมายรู้ในวงเล็บสัญญาจาได้อันหนึ่งนะ หมายรู้อันหนึ่งในเครื่องหมายคำพูดจำได้หมายถึงจำได้ว่าสีเขียวสีแดงสีเหลืองจำได้นี่คุณมาลีจำได้ว่าผู้หญิงเป็นอย่างนี้ผู้ชายเป็นอย่างนี้ส่วนในเครื่องหมายคำพูดหมายรู้นี่เป็นการเทียบเคียงสิ่งที่เกิดขึ้นใหม่ๆแล้วเรายังไม่รู้จักด้วยข้อมูลเดิมเช่นเห็นคนตัดผมสั้นๆนุ่งกางเกงใส่เสื้อผูกไทยเราเคยเห็นว่าเป็นผู้ชาย พอเห็นอย่างนี้เราก็หมายรู้ว่าผู้ชายมาละพอมาใกล้ๆอ้าวไม่ใช่ไม่มีลูกกระเดือกหมายรู้ใหมายแล้วคราวนี้โอ้ไม่มีลูกกระเดือกไม่ใช่ผู้ชายแล้วการจําได้นี่อันหนึ่งนะหมายรู้อีกอันหนึ่งเรียกว่าสัญญาสัญญาก็อยู่ส่วนสัญญาแยกออกไปในการภาวนา น, นี่สัญญาจะหลอกลวงเก่งสัญญาที่หลอกลวงเรียกในเครื่องหมายคําพูดสัญญาวิปลาส พวกเราถึงจะภาวนาหรือไม่ภาวนาพวกเราก็สัญญาวิปลาสปูทุชนทั้งหมดสัญญาวิปลาสสัญญาวิปลาสมีสอันอันที่หนึ่งเห็นของไม่สวยว่าสวยอย่างร่างกายของมนุษย์นี่มันสกปรกโสกโครกไม่สวยไปเห็นว่ามันสวยมันงามนี่เรียกว่าสัญญาวิปลาสอันที่สองเห็นของไม่เที่ยงว่าเที่ยงอย่างจิตใจของเราเกิดดับอยู่ตลอดเวลาเรารู้สึกว่าจิตนี่เป็นตัวเรา จิตของเราเดี๋ยวนี้กับจิตของเราตอนเด็กๆก็เป็นคนเดิมเป็นของเที่ยงเห็นของไม่เที่ยงว่าเที่ยงเห็นว่าชีวิตนี้เป็นของแน่นอนยังไม่ตายหรอกพวกเราในห้องนี้มีใครคิดไหมว่าวันนี้จะตายโอ้นี่มีหนึ่งรายทำไมคิดว่าจะตายเพราะแก่เพราะเจ็บใช่ไหมยังไม่แก่ยังไม่เจ็บคิดว่ายังไม่ตายนี่พวกวิปลาสอันที่สาเห็นของเป็นทุกว่าเป็นสุขกายนี้ใจนี้เป็นทุกข์แท้ๆเลยเห็นว่ามันเป็นสุข รู้สึกไหมเดี๋ยวก็สุขมีสุขกายสุขใจทั้งทั้งที่มันเป็นตัวทุกข์นี่ก็พวกวิปัาสอันที่สี่เห็นของไม่ใช่ตัวตนว่าเป็นตัวเป็นตนเห็นเป็นคนเป็นสัตว์เป็นเราเป็นเขาจริงๆมันเป็นรูปธรรมนามธรรมมองไม่ออกวิปัาสวิปัาสมีสีอันนะสังเกตไหมในสติปัฏฐานเวลาท่านสอนนี่ท่านสอนให้รู้กายรู้เวทนารู้จิตรู้จิตนี่ไปรู้จิตตสังขาร ไม่ค่อยเน้นการทำวิปัสนาที่ตัวสัญญานึกออกไหมสัญญาไปยุ่งกับมันนี่ดีไม่ดีบ้าเอาเลยมีบางคนพยายามโปรแกรมจิตใหม่อยากจะไม่ยึดถือในสัญญาเช่นเห็นโต๊ะเรียกว่าเก้าอี้เห็นคนเรียกหมาแต่อย่าไปเรียกให้เขาได้ยินเดี๋ยวหมามันเหยียบเอาในที่สุดก็วิปลาสคราวนี้วิปลาสแบบทางโลกบ้าไปจริงๆเลยดังนั้นเราไม่ต้องไปทำกรรมฐานอะไรที่พระพุทธเจ้าไม่ได้สอน ให้มีสติรู้กายมีสติรู้เวทนาคือความรู้สึกสุขรู้สึกทุกข์รู้สึกเฉยๆมีสติรู้จิตสังขารเช่นความโลภเกิดขึ้นความโกรธความหลงเกิดขึ้นตรงจิตตานุปัสสนานี่จะต่างกับธรรมานุปัสสนานะจิ ต, ตานุปัสสนาจะเห็นว่าจิตมันโลภจิตมันโกรธจิตมันหลงจิตไม่โลภจิตไม่โกรธจิตไม่หลงแต่พอถึงธรรมานุปัสสนามันแยกสภาวะธรรมออกไปละเอียดหมดจดเลย มันจะเห็นเลยความโลภความโกรธความหลงตัางหากกันจิตก็ต่างหากมีแต่สภาวธรรมล้วนๆเลยทั้งรูปธรรมนามธรรมาทํางานของมันไปเรื่อยๆเห็นกระบวนการทํางานของมันเห็นเหตุเห็นผลของมันรู้ว่ามันเกิดมาจากอะไรมันทํางานอย่างไรรู้เหตุรู้ผลของมันรู้ว่าทําอย่างไรมันจะเกิดอีกทําอย่างไรมันไม่เกิดอีกเพราะฉะนั้นธรรมานุปัสสนานี่กว้างขวางอย่างกับมหาสมุทร เป็นกรรมาฐานที่กว้างมากเลยยากอินทรีไม่แก่กล้าพอทำไม่ไหวแต่อาศัยการรู้กายรู้เวทนารู้จิตวันหนึ่งเห็นนะอย่างพวกเราเริ่มเห็นวิถีจิตหลายคนเห็นจิตมันทำงานตั้งแต่จิตอยู่ในภวังแล้วมีสิ่งมากระทบเช่นจิตอยู่ในภวังลึกๆไม่รับรู้อารมณ์ภายนอกพอมีเสียงมากระทบหูยังไม่รับรู้เสียงแต่มันมีความสั่นสะเทือนเข้าไปถึงจิต จิตมันเริ่มถูกปลุกให้ไหวตัวขึ้นภายในแล้วก็ดีดตัวผางขึ้นมาตรงที่มันดีดตัวขึ้นมาทีแรกนี่มันจะต้องมาดูก่อนว่ามันจะไปรู้อารมณ์ทางไหนก่อนจะทางตาหรือทางหูหรือทางจมูกทางลิ้นทางกายแล้วแต่มันจะเลือกจิตตัวที่เลือกนี่เรียกว่าปัญจทวาราวัชณะจิตไม่ต้องรู้ชื่อมันก็ได้นะมันเลือกของมันเองพอดีดผางออกมาแล้วก็เกิดการรับรู้ทางตาหูจมูกลิ้นกาย พอรับรู้แล้วนี่ถ้าอารมณ์นั้นรุนแรงมันจะส่งสัญญาณมาที่ใจพวกเรารู้สึกไหมมันส่งสัญญาณตามองเห็นแล้วมันส่งมาที่ใจพอส่งมาที่ใจแล้วจิตมันจะต้องพิจารณาโดยเอาสัญญาณมาช่วยมาแปลความว่าอันนี้คืออันนี้อันนี้คืออันนี้ถัดจากนั้นจิตจะให้ค่าอันนี้ดีอันนี้ไม่ดีอันนี้ถูกอันนี้ผิดถัดจากนั้นจิตจะเสวยอารมณ์ไปตามการให้ค่าถัดจากนั้นพอมันขึ้นรับอารมณ์ช่วงหนึ่ง มันจะเริ่มเลือนๆ ล, ลงไปบเบลอๆ ล, ลงไปแล้วก็ตกภวังใหม่ตัดกระแสเข้าไปนี่พวกเราภาวนาเราจะเห็นวิธีการทำงานของจิตใจเราจะรู้ด้วยว่ากิเลสแต่ละอย่างแต่ละอย่างเกิดจากอะไรรู้เหตุรู้ผลเราจะรู้ขันห้าแต่ละขันเขาทำงานอย่างไรรู้นิวร์ทำงานอย่างไรรู้โพชชงทำงานอย่างไรรู้อายตนะตาหูจมูกลิ้นกายใจรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐพะธรรมรม มันทํางานสัมผัสสัมพันธ์กันไปเรื่อยสุดท้ายจะรู้อริยสัจพระอระหันตุทุกองค์รู้อริยสัจพวกเราภาวนาไปวันหนึ่งเราก็จะรู้อริยสัจนี่การภาวนาถ้าเดินไปเรื่อยมันจะเกิดปัญญาเห็นแจ้งเริ่มตั้งแต่แยกขันออกไปขันแต่ละขันทํางานไปเห็นมันเกิดดับหมุนเวียนเปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆถึงตรงนี้ถ้าจิตไม่ตั้งมั่นจิตฟุ้งซ่านจิตไม่ถึงฐานหรือที่หลวงปู่ดูลเรียกว่าจิตออกนอก มันจะเกิดสิ่งที่เรียกว่าวิปัสสนูขึ้นมาเมื่อวานก็มีพระท่านมาเล่าให้ฟังว่ามีที่แห่งหนึ่งเขาสอนให้ไปอยู่ในความว่างแล้วเที่ยวปรามาศครูบาอาจารย์ทั้งประเทศเลยว่าใช้ไม่ได้หลวงพ่อเทียนก็ใช้ไม่ได้คิดเป็นหนูรู้เป็นแมวมันไม่มีแมวมีหนูหรอกหลวงปู่ดูลก็สอนอะไรผิดผิดสอนจิตส่งออกนอกจิตไม่มีส่งออกหรอกท่านพุทธทาสก็สอนผิดไม่ยึดไม่ถือคิดเอาทั้งนั้น ว่าไปทั้งประเทศเลยกูถูกอยู่คนเดียวเพราะวิปัสสนูมันกินเอาอาการที่จิตมันมีวิปัสสนูนี่มันเริ่มตั้งแต่เราเริ่มเห็นการเกิดดับของสภาวะพวกเราทุกคนต้องเจอนะเพราะฉะนั้นเรียนเอาไว้อย่างเราเห็นการเกิดดับของสภาวะเช่นเห็นความโลภเกิดขึ้นแล้วดับลงไปเกิดความไม่โลภความไม่โลภเกิดขึ้นมาก็ดับไปเกิดความหลงพอรู้ทันความหลงก็ดับไปเกิดความไม่หลงเกิดดับเกิดดับเกิดดับ ตอนที่เห็นเกิดดับเกิดดั บ, เ ก, ดดบเกิดดับอยู่อย่างนี้จิตมันหมดแรงแล้วมันถลําลงไปเห็นมันฟุ้งซ่านแล้วมันถลําลงไปตรงที่ถลําลงไปนี่มันเกิดวิปัสสนูได้สิบแบบไปหาอ่านเอานะหลวงพ่อบรรยายพอเป็นตัวอย่างให้ฟังเพราะทั้งสิบแบบมีเหตุแบบเดียวกันและวิธีแก้ก็แก้อย่างเดียวกันที่พวกเราเป็นมากเลยพวกดูจิตเป็นมากนี่มันจะเป็นหลงอยู่ในความสว่างเป็นวิปัสสนูที่ชื่อว่าโอภาษ์ชื่อเทพ น, นะ มีใครชื่อว่าโอภาสบ้างบางคนก็ชื่อมานะชื่อกิเลส ท, ทั้งนั้นเลยมานะก็กิเลสโอภาษก็เป็นวิปัสสนูชื่อดีๆทั้งนั้นเลยไม่ค่อยมีใครชื่อขันติไม่เคยได้ยินเลยว่าใครชื่อโสรัจจะมีแต่นายมานะนางมานีอะไรอย่างนี้เวลาเราดูจิตนะดูแล้วใจเราถลาไปดูตรงที่ใจถลาไปดูนี่ใจไม่ตั้งมั่นนึกออกไหมเข้าใจไหมตรงที่จิตถลาไปดู เรียนมาช่วงหนึ่งแล้วเข้าใจแล้วต้องสอนต่อยอดให้อีกตรงที่จิตถลำไปดูแล้วพอสภาวะนั้นหายไปดับไปเพราะสภาวะทั้งหลายจะดูหรือไม่ดูมันก็ดับไม่มีหรอกสิ่งที่เกิดแล้วไม่ดับบางคนนึกว่าโอ้ฉันเก่งฉันไปดูแล้วก็ดับไม่ใช่มันหมดเหตุของมันมันก็ดับไม่ใช่เพราะกูเก่งนะอย่างเราเห็นจิตสมมติเราเห็นโทสะเกิดขึ้นเราดูปุ๊บมันวิ่งหนีออกไปมันหนีห่างตัวจิตผู้รู้ออกไป จิตผู้รู้ก็ทิ้งป้อมปราการของตัวเองแล้วกระโดดตามออกไปอยากดูให้มันชัดพอดูมันไปปุ๊บมันสลายตัวไปว่างเฮ้ยว่างแล้วโลกธาตุว่างแล้ ว, ลกก ว, ลวคราวนี้นี่แหละมัง่งนิพานก็เลยไปจับอยู่ในความว่างนี้พอแช่อยู่ที่ความว่างนี้อะไรเกิดขึ้นความสุขเกิดขึ้นความสว่างสวัยของจิตใจเกิดขึ้นอิ่มเอิบเต็มสบาย3วัน3คืน7วันคืน7ปี ตลอดชีวิตมีแต่ความว่างว่างนี่แหละมัง้งสุญ ญ, ญาตาความว่างนิพพานอยู่ที่นี่เองไม่เห็นหรอกว่าตัวเองถลำลงไปเมื่อไหร่จิตทยานออกไปนะจิตมีตัณหาจิตมีตัณหาแล้วสิ่งที่จะต้องตามมาคือการสร้างภพฉะนั้นว่างว่างหรือโอภาษของตัวสว่างนี่นะก็คือภพอันหนึ่งที่จิตไปติดอยู่พอมองไม่เห็นก็คิดเอาว่าหมดกิเลสแล้วเป็นพระอรหันต์แล้วเห็นไหมมีวิธีลัดมากเลยไม่ต้องมาดูกายดูใจ อย่าดูกายดูใจนะทิ้งมันไปเลยไปอยู่ในความว่างสว่างบริสุทธิ์ไม่มีอะไรเลยนี่ทางลัดที่สุดลัดยิ่งกว่าที่พระพุทธเจ้าสอนเสอีกมันเป็นเอามากนะพวกนี้ฉะนั้นจะเที่ยวปรามาศไปทั่วถ้าปรามาศพระพุทธเจ้าได้ก็คงเอาแต่ยังไม่กล้าเลยปรามาศพระอื่นๆก่อนหลวงตาก็สอนผิดครูบราอาจารย์องค์นู้นก็ผิดองค์นี้ก็ผิดผิดหมดเลยเพราะอะไรเพระโมแต่สอนให้รู้กายรู้ใจไปรู้มันทําไม นี่ไม่ต้องรู้อะไรเลยทิ้งมันไปให้หมดไม่เหลืออะไรสักอย่างไม่ยึดอะไรสักอย่างหารู้ไม่ว่าไปยึดความไม่ยึดอะไรไปเอาความไม่เอาอะไรไปยึดความไม่มีอะไรไปจับอยู่ตรงนี้แล้วก็ร้อนคราวนี้ร้อนแล้วจะเที่ยวพล่านๆแล้วเข้าวัดโน้อนออกวัดนี้เคยมาที่นี่เหมือนกันนะถูกหลวงพ่อไล่ไปไปบ้านอารีต่อไปโดนที่โน้นไล่ต่ออีกเมื่อวานนี้พระจากเชียงรายมาเล่าไปทางโน้อนอีกแล้ว ตลอนตลอนไปประกาศสัจจะเรื่อยไปพอดีพระท่านฉลาดท่านบอกผมสังเกตนะจิตเขาไม่ตั้งมั่นหรอกจิตเขาไปเพลินอยู่ข้างหน้าเราทําเป็นไม้อย่างนี้ในพระสูตรมีกรถาหนึ่งชื่อยุขะนัทธกถาพระ อ, อนุนเป็นคนเทศไว้ว่ารูกศิษย์ในสํานักของท่านที่ประกาศว่าบรรลุมรกผลนี่นะมีสี่จำพวกจําพวกที่หนึ่งพวกที่ใช้สมาธินําปัญญาจําพวกที่สองใช้ปัญญานําสมาธิจําพวกที่สาม ใช้สมาธิและปัญญาควบกันจำพวกที่สีนี่จิตฟุ้งซ่านในธรรมะแล้วก็ไปยึดถือในธรรมะสิบประการเช่นมีปิติมากมีสติกล้าแข็งมากมีปัญญาแตกฉานมากนี่พวกนี้วิปัสสนูทั้งนั้นเลยวิปัสสนูสิบอย่างแล้วท่านบอกว่าถ้ารู้ทันว่าจิตฟุ้งซ่านความติดในธรรมะสิบอย่างเช่นโอภาษเป็นต้นก็จะสลายไปก็จะเกิดมรรคเกิดผลได้ พระจิตเข้ามาถึงฐานแล้วจิตตั้งมั่นแล้วมาเจริญปัญญาต่อนี่ท่านสอนไว้สี่แบบการปฏิบัติจริงมีสแบบแต่ปฏิบัติถูกต้องแล้วมันจะมาเจอแบบที่สี่เจอทุกคนแหละหลวงพ่อก็เคยเจอหลวงพ่อเคยภาวนานะใจรวมสว่างจ้าขึ้นมาเรานึกถึงธรรมะอะไรนี่นะมันเทศให้เราฟังเลยถ่ายทอดขึ้นมาเลยธรรมะหมวดที่หนึ่งมีดังต่อไปนี้ปื้ดปื้ดปืด ดีนะไม่ได้บันทึกไว้เป็นพจนานุกรมพุทธศาสตร์อีกเล่มหนึ่งฉบับวิปลาสแตกฉานมากเลยโอ้โหความรู้ความเข้าใจธรรมะเยอะมากเลยก็พยายามจําเอาไว้เสียดายจดไม่ทันพยายามจําอาทิตย์เดียวเหมือนคนบ้าเลยเหนื่อยเหลือเกินหนักเหลือเกินต้องพยายามจําธรรมะมากมายขนาดนี้ไปไหนเหมือนเราแบกตู้พระไตรปิฎกไปเสร็จแล้วเกิดเฉลียวใจขึ้นมาว่าเอ๊ธรรมะเรียนไปเพื่อปล่อยวางทําไมไปแบกมาหนัก แบกปัญญาฟุ้งซ่านมากไม่ใช่แล้วมีบางคนเคยเจอปกติก็เหมือนคนธรรมดาอย่างนี้แต่พอได้ยินใครพูดธรรมะจะโพร่งโพร่งโพรงออกมาอย่างนี้ใจกระโจนเลยพูดธรรมะนี่มันอย่างนี้เลยนะแต่ไม่ใช่บ้ามันติดวิปัสสนูจิตมันฟุ้งซ่านมันฟุ้งไปในธรรมะบางคนมันฟุ้งไปในการเจริญสติไม่คลาดสายตาเลยจิตมันจะแข็งนิดหนึ่งแต่มันจะออกนอกมันจะรู้หมดเลย เห็นโลกาธาตุนี่เกิดดับวับวับวับเห็นกระทั่งเหมือนอากาศเป็นเม็ดเม็ดนะวับวับวมันตั้งสติแรงไปจิตออกนอกเหมือนกันไม่ว่าชนิดไหนนะนี่พระอานนท์สอนไว้อย่างนี้ถ้ารู้ทันว่าจิตไม่ตั้งมัน่นถ้ารู้ทันว่าจิตมีอุทธจัจจะฟุ้งซ่านก็คือไม่ตั้งมั่นนั่นเองมันจะตั้งขึ้นมาเมื่อก่อนเราเทศไปเรื่อยนะเทศจากประสบการณ์นี่เพิ่งไปเจอตำราเหมือนกันเป๊ะเลย อาศจารย์จริงๆเลยนะตัมรามีทั้งนั้นเลยในเรื่องการปฏิบัติเพียงแต่ว่าคนส่วนใหญ่ไปอ่านแล้วปฏิบัติไม่เป็นก็เอามานั่งเถียงกันเฉยๆท่านสอนเรื่องปฏิบัติถ้าปฏิบัติไม่ได้ท่านจะมาสอนหาสวรรค์วิมานอะไรเพราะธรรมะของพระพุทธเจ้านี่เป็นไปเพื่อการพ้นทุกข์ทั้งสิ้นต้องปฏิบัติได้ไม่ใช่ไม่ได้นะฉะนั้นวิปัสสนูนี่นะมันจะเกิดสำคัญผิดเกิดอาการแปลกๆขึ้นมาแล้วเราก็คิดว่าเราบรรลุพระอรหันต์แล้ว เช่นใจโล่งว่างเลยไม่มีกิเลสหลวงพ่อเคยเป็นอีกตัวหนึ่งตัวโอภาษภาวนาดูจิตดูใจอยู่แล้วมันเคลื่อนออกไปเราไม่ทันเห็นเหมือนกับว่าเราไม่ยึดถืออะไรไม่ดูนี่เลยไม่ยึดไม่ดูกายดูใจมันสว่างโลกนี้สว่างว่างไม่มีสัตว์ไม่มีคนไม่มีเราไม่มีเขาดูอยู่อย่างนี้เป็นปีเลยรู้สึกสบายตอนนั้นครูบาอาจารย์สิ้นไปเยอะแล้วหลวงปู่ดูลก็ไม่อยู่หลวงปู่เทศก็ไม่อยู่ หลวงปู่สิมก็สิ้นไปแล้วไปถามอาจารย์มหาบัวท่านบอกอย่างนี้เลยนะเครื่องหมายคำพูดเปิดที่ว่าดูจิตอยู่ดูไม่ถึงจิตแล้วให้บริกรรมไว้ต้องเชื่อเรานะตรงนี้สำคัญมากเราผ่านมาด้วยตัวเราเองอะไรก็สู้บริกรรมไม่ได้ปิดเครื่องหมายคำพูดท่านว่าอย่างนี้เราก็มาสังเกตดูเราบริกรรมแล้วใจยิ่งฟุ้งซ่านใหญ่ใจไม่ชอบบริกรรมก็เลยมาหายใจแล้วสังเกตอ๋อใจเราไม่ตั้งมั่น ไดราออกนอกวิปัสสนูนี่มันจะเกิดได้ทั้งสี่รอบแต่รอบแรกที่เรียกว่าวิปัสสนูรอบหลังๆจะไม่เรียกว่าวิปัสสนูมีชื่อเฉพาะให้ฟังโก้กว่าวิปัสสนูหน่อยหนึ่งแต่อาการแบบเดียวกันหลงๆเหมือนกันออกนอกเหมือนกันฉะนั้นพวกเรากำลังเดินไปสู่มรรคขั้นที่หนึ่งภาวนาไปแล้วใจโล่งใจว่างขึ้นมาอย่ายินดีพอใจในความสุขความสงบเล็กๆน้อยๆที่กาลังเกิดขึ้น ถ้าเราดูไม่ทันเราจะติดอยู่ตรงนี้ตลอดชีวิตเลยสมัยพุทธกาลมีพระองค์หนึ่งชื่อพระมหานาคะท่านคงชื่อนาคะนะ่ะแต่นาคะมีหลายองค์องค์นี้ใหญ่กว่าเพื่อนเลยเรียกมหานาคะไม่ใช่เป็นมหาป ร, รียาไม่ใช่มหาโน้นมหานี้นะอย่างพระมหากัจจายนะกัจจายนะมีหลายองค์พระมหากัสปะนี่กัสปะมีหลายองค์พระมหานาคะนี่อายุยืนมากถึงร้อยสิบปี ท่านคิดว่าท่านบรรลุพระอาราหันต์มาตั้ง8ปปีหรือไงนี่จิตท่านว่างสว่างอยู่อย่างนั้นตลอดเวลาเลยไม่มีใครแก้ให้ท่านมันหลังพุทธกาลแล้วใครๆก็นับถือท่านหมดเลยถือว่าเป็นพระเถระพรรษาเยอะภาวนาดีไม่มีกิเลสยิ้มทั้งวันไม่เคยโกรธใครไม่มีอะไรเลยวันที่ท่านอายุครบร้อปีท่านเดินในป่าจะไปลงอุโบสถพระนี่พอถึงวันพระต้องลงอุโบสถไปฟังปาติโมก เดินเดินอยู่ช้างมาอยู่หลังต้นไม้มันโผล่พลวนออกมาร้องแปลนใส่ท่านท่านเห็นจิตตกใจโอ้ช้างน่ารักเหลือเกินเราไม่ใช่พระอรหันแล้วเห็นจิตตกใจท่านก็รีบกลับมาภาวนาพอท่านมาดูจริงๆก็คือจิตมันไหลออกไปแล้วไปว่างอยู่เพอ ร, รู้ทันจิตที่ตกใจความตกใจเป็นอารมณ์ที่รุนแรงใช่ไหมมันกระชากให้กระเด็นออกมาจากความว่างได้เพราะมันตกใจความตกใจเป็นอารมณ์ที่ชัดนะ ยังพวกเราภาวนาแล้วเกิดตายไปก่อนยังไม่ได้อะไรชาติหน้าพอมีเรื่องตกใจสติจะกลับมาเองตามสถิติเป็นอย่างนี้ใครบ้างบอกไม่ได้พอท่านมาดูท่านรู้ทันท่านขาดตรงนั้นเป็นพระอระหันต์แล้วท่านก็ไปอุโบสถแล้วก็ลาสง์เลยวันนี้ถึงวันตายพอดีนิพพานไปพอดีเพราะฉะนั้นถ้าเราไปติดวิปัสสนานะติดกันทั้งชาติเลยมันก็คิดว่าเป็นพระอระหันต์อยู่ที่เรามีสติปัญญา ให้รู้ทันจิต ท, ที่ไม่ตั้งมัน่นจิต ท, ที่ไม่ถึงฐานนะวิปัสสนูทั้งหลายเกิดจากจิตฟุ้งซ่านเป็นอุทธจัจจะอุทธัจจะในธรรมะเรียกว่าธรมมุตทจัจจะคนทั่วๆไปไม่ได้ฟุ้งซ่านในธรรมะคนทั่วๆไปฟุ้งซ่านในกามนะส่วนผู้ภาวนานี่ก็ฟุ้งในธรรมะฟุ้งในธรรมะมีสิบแบบไปอ่านเอาเองไล่สิบแบบคงหลายวันหลวงพ่อก็ไม่ได้รู้ทั้งสิบแบบไม่ได้เคยผ่านทั้งสิบแบบรู้บางอย่างเท่านั้น แต่โดยหลักการแล้วเหมือนกันหมดเลยฉะนั้นเราคอยสังเกตใจสังเกตไหมหลังๆหลว ง, ล ง, ลงพ่อชอบพูดเรื่อยจิตไม่ถึงฐานจิตไม่ตั้งมั่นจิตออกนอกถ้าเราสังเกต ต, ตัวนี้ได้นะเวลาจะเกิดวิปัสสนูจะผ่านง่ายถ้าเมื่อไหร่รู้ว่าจิตฟุ้งซ่านไปในธรรมะจิตจะตั้งมั่นขึ้นมาความฟุ้งซ่านจะดับไปนี่พระอานุ์สอนเลยเมื่อก่อนเราไม่มีข้ออ้างก็พูดดุยๆไปนะ reference ในวงเล็บอ้างอิงไม่ได้ แต่ตอนนี้มีที่อ้างอิงแล้วค่อยง่ายหน่อยพูดให้เสียงดังขึ้นกว่าเก่าหน่อยหนึ่งแต่ก่อนเราก็ต้องอ้อมแอมอ้อมแอมเดี๋ยวพวกเรียนมากมันจะมาด่าเราฉะนั้นภาวนานะนิมิตน่ะมันเอาไว้หลอกคนทําสมถะจิตสงบนะแต่สงบไม่เต็มร้อยเกิดนิมิตวิปัสสนูนี่เอาไว้หลอกคนทําวิปัสนาเห็นสภาวะเกิดดับแล้วเสร็จแล้วจิตไม่ตั้งมั่นพอจิตไหลไปเมื่อก่อนหลวงประเทศเคยสอนท่านเคยพูดไว้เลย ว่าอันนี้ท่านก็พูดมาจากการปฏิบัติของท่านว่าวิปัสสนูมันมาจากจิตไม่ตั้งมัน่นท่านพูดอย่างนี้นะแต่ก่อนฟังท่านไม่เข้าใจบอกว่าจิตไม่ตั้งมัน่นถ้าจิตตั้งมั่นก็หายแต่ถ้าตั้งด้วยการบังคับไว้ก็ไปเกิดนิมิตอีกของหลอกๆเยอะนะฉะนั้นเรียนหลักให้แม่นเดินไปด้วยโยนิโสมนสิการโยนิโสมนสิการไม่ใช่นั่งคิดธรรมะต้องมีสภาวะธรรมรองรับถึงจะเป็นปัญญาจริงสังเกตไปเรื่อย สภาวะอย่างนี้ขัดแย้งกับที่พระพุทธเจ้าบอกไหมเช่นเราภาวนานะพระพุทธเจ้าบอกว่าต้องมีโสดาบันสกทาคามีอนาคามีพระอรหันนี่ของเราวูบว่างทีเดียวแล้วเอ๊ะทำไมมันไม่มีสี่อันทาไมมันมีอันเดียวนี่ผิดแล้วหรือท่านสอนบอกว่าให้รู้กายรู้ใจตามความเป็นจริงเรียกว่ารู้ทุกทุกให้รู้คือรู้กายรู้ใจเอ๊ะเราไม่รู้กายรู้ใจ เราไปอยู่ในว่างนี่เฉลียวใจขึ้นมาก็รู้ว่าผิดแล้วอยู่ที่ความเฉลียวใจของเรานะโยนิโสมณสิการไม่ใช่คิดฟุ้งซ่านหรอกมันเป็นใจที่เฉลียวขึ้นมาว่ามันสอดคล้องกับคำสอนของพระพุทธเจ้าไหมสภาวะที่ปรากฏนี่สอดคล้องไหมถ้าไม่สอดคล้องก็ผิดแน่นอนเลยอย่าอวดดีกับพระพุทธเจ้าบางคนประกาศเลยว่าจะมีทางลัดยิ่งกว่าการเจริญสติปัฏฐานยิ่งกว่าการเจริญวิปัสสนากรรมฐาน อะไรมันจะเก่งกว่าพระพุทธเจ้าขนาดนั้นพระพุทธเจ้าให้รู้กายรู้ใจเราก็ต้องรู้กายรู้ใจไปถ้ารู้กายรู้ใจแล้วต้องเห็นไตรลักษณ์ท่านบอกว่าวิปัสสนาต้องเห็นไตรลักษณ์ของกายของใจถ้ารู้กายรู้ใจแล้วไม่เห็นไตรลักษณ์ก็ผิดอีกแล้วเช่นเราเห็นท้องพองยุบทุกวันเลยไม่เคลื่อนไปไหนเลยแล้วเราคิดว่าทําวิปัสสนาอยู่ถ้าเฉลียวใจจะรู้เลยดูแต่ท้องพองยุบไม่เห็นความเป็นไตรลักษณ์ของรูปนามไม่ใช่แล้ว ทำผิดอีกแล้วฉะนั้นเราเรียนหลักให้แม่นหลวงพ่อพยายามสอนหลักของการปฏิบัติพูดซ้ําแล้วซ้ําอีกทุกวันเลยแง่มุมอาจจะพลิกไปพลิกมาพอเรารู้หลักแล้วนี่เราจะได้ช่วยตัวเองได้เมื่อสภาวะเกิดขึ้นแล้วมันสอดคล้องกับหลักที่บอกให้หรือเปล่าหรือว่าไม่สอดคล้องเห็นของไม่เที่ยงว่าเที่ยงไหมเห็นของเป็นทุกข์ว่าสุขไหมเห็นของเป็นอนัตตาว่าเป็นอัตตาไหมนี่คอยดูไปอย่างนี้นะเราก็จะเอาตัวรอดได้ ยุคนี้พึ่งกาลยานามิตรคือครูบาอาจารย์ยากที่สุดแล้วพยายามพึ่งโยนิโสมนสิการไว้เรียนจับหลักให้แม่นแล้วไปสังเกตด้วยตัวเองช่วยตัวเองให้มากๆพวกเรามีจำนวนเยอะเกินกว่าที่ครูบาอาจารย์จะช่วยเที่ยววิ่งหาครูบาอาจารย์ร่อนๆ่อนไปโดนเขาหลอกให้ไปอยู่ในความว่างสาหัสสากัรเข้าไปอีกเพราะฉะนั้นพยายามเรียนหลักแล้วช่วยตัวเองให้ได้